ประชาชนม บ, บริษัทต่างๆและบรรดาลูกหลานที่รักันนี้ก็มาพบ ก, กันในเรื่องขอ ง, งะระมโหสถบัณฑิตแต่นี้เป็นตอนที่มโหสถถูกแก้แน้นจากพัญญาเขาไม่เจ้าจุนนิคมทัดเรื่งว่าขอต่อกันเลย ตอนต้นขั้นคอนมาจบลยเมื่อวันหนึ่งขณะที่นามบริพายิกาเข้าไปฉันในพระราชวังตามปกติเมื่อฉันเสร็จแล้วพระราชาจึงตัดถามว่าข้าแต่ท่าแม่เจ้าแม่เก่ท่านแม่เจ้าได้พบ ก, กับพระโสดังแล้วหรือยังนางบริพายิกาตอบว่าขอถวายพระพร วันนี้อาตมาชันสุดแล้วก็ออกว้จากที่เอาจากที่แล้วก็พบ ก, กันพอดีวันก่อนมาจบลงตรงนี้เพราะว่านางมันผู้หญิงทั้งหลายก็มาพร้อมหัสดว่าเป็นคนคิดคดระยศร่วมกับนางพระยาข่าประราชาก็ขพรแต่พระราชาจึงตัดทั้งว่า คุณแม่เจ้าสนันากันเรื่องอะไรบ้างนางบริพายิกาท้ถวายพระพรว่าขอถวายกระพรไม่ได้สนันาอะไรกันมากนักเพี่อนร้่นแอดามาได้ทราบว่ามโหสถเธอเป็นนั ก, กราบจริงทดลองปัญญาได้เครื่อหมายได้มือหากมโหสถเป็นนักดาบจริง ก็จะรู้ความหมายของปัญหาอาจจะมาจะียได้แบมือออกความหมายก็คือถามว่าพระราชาของท่านทรงเคาะอะไรท่านบ้างหรือว่าไม่ได้ทรงขคาะเลยเอาให้กดรู้ความหมายยังได้กำมือเป็นความหมายให้รู้ว่าพระราชาทรงให้ปฏิญาณไปแล้วแต่เวลานี้ ยังไม่ได้พระราชทานอะไรอาตมาจึงเอา ม, มือลูกศีรษะเป็นความหมายว่าหากท่านลำบาก ท, ทําไมจึงไม่บวชหลวาตมาเล่าแล้วสัลูกท้องให้ความหมายว่าบทพัญญามีอยู่จะต้องเลี้ยงให้เต็มตาเต็นท้องถ้าบวชก็จะไม่มีใครทุกเลี้ยงบทพัญญา ก็สนอ น, นาเพียงเท่านี้แล้วต่างคุณก็ต่างจากกันไปนี่เห็นไหมละ่ะบรรดารแม่พวกผู้หญิงปากมากเห็นเขาทำท่าปัญหาซึ่งกันแล้วกันก็มากล่าวหาว่าโอ้โหสดกันนาบริพายกิดกาชกบทนี่ขอบรรดารลูกหลานที่รักฟังแล้วก็ยังคิดถึงตัวเองไว้บ้าง มาในการบางครั้งถ้าเราทำความดีแต่คนที่มีความอิจฉาดีเสยียแม้จะเห็นว่าเราทำความชั่วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมันก็จะเกิดขึ้นถ้าอาการอย่างนี้ปรากฏก็จงดูตัวอย่างของพระโสดมีเจตนาดีในการที่จะปฏิ บ, บัติวิธตกางกับพระราชา แต่แต่ว่ากลับผูวเองพระธรรมเีศราพระองคิดแก้ข้าวก็ความแค้นใจเป็นอนริยผลที่ระวับความทุกจะไปโทษกรรมเก่าเสมอไปมันก็ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างคนทึกว่า ม, มันเป็นของธรรมดาคนที่เกิดมาในโลกนี้ทำดีแสนดี แต่ว่าจะเว้นการถุกว่าทุกด่าถุกนินทาทุกข์การแกล้งนั้นไม่มีขอให้ถือว่าเป็นธรรมดาของโลกโลกมันเป็นทุกข์แต่นั้นพระพุทธเจ้าจะสอนคนให้ทิ้งโลกไปนิพพานเสียแต่สำับเรื่องนี้หลวงปู่ก็ยังไม่ขอพูดเรื่องนิพพานเพราะเดี๋ยวลูกหลานจะกลุ่มใจแต่ความจริงเรื่องปา น, นิพพานยังเป็นของไม่ยากมันขึ้นอยู่กับกําลังใจคุยเรื่องต่อไปดีกว่า พระราชาแต่ถามว่าข้าแต่พระแม่ข้าแต่แม่คุณเจ้าแม่คุณเจ้าเห็นว่าโมโหสดเป็นนักปราศเม่นหรือไม่ใช่นามบริพายิกาตอบว่าขขวก็ถวายพระพรบนพื้นแผ่นดินนี้จะหาใครเป็นนักปราศยิ่งกว่าโมโหสถไม่มีแล้วเอาละทีแม่ละพระราชาทรงสนานาับนามบริพายิกาพอสมควรแล้วก็ ก็สร้างรัตนาให้บรรนางกลับเมื่อบรรนางพอดีจากภาัยกากลับไปแล้วพระโหสถก็เข้าเฝ้าพระราชาได้ตัดถามพโหสถว่าท่านบัณฑิตท่านได้พบบรรนางบริภัยกาแล้วหรือพระโหสถก็กราบทูลว่าขอเดชะข้าพระเจ้าได้พบและได้สนธนากันแล้วพระเจ้ขาขา้ะ โดยใช้มือเป็นเครื่องหมายให้รู้ความที่สนทนากัน ข, ข้าพเจ้าพระเจ้าค่ะพระราชาดูทรงเรื่องใสใ น, นมโหสถมากจึงทรงแต่งตั้งให้มโหสถดำรงดรงตำแหน่งเสนาผู้ใหญ่เสนาบดีผู้ใหญ่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาตอนนี้ทางข้อพเจ้บอกว่ามโหสถลงพไปขายพระไทยพระเจ้าจุ น, นันที อยู่มาวันหนึ่งเขาสะคุณคิดถูอว่าพระ ร, ราชาทรงรัชพระราชทานอิสริยยนยิ่งใหญ่แต่เราครั้งนี้อาจจะเป็นไปได้ทั้งทรงปรารถนาดีต่อเราและก็ปรารถนาร้ายต่อเรานี่โดนหลานที่รักที่หลวงปู่เคยพูดไว้เสมอว่าทุกคนเราต้องคิดว่าเราเป็นมิตรกับเขาเขาเป็นมิตรกับเรา แล้วก็จงจำไว้ว่าทุกคนที่เราครบกันสักวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นศัตรูกับเราก็ได้เราก็ต้องป้องกันไว้แต่อย่าเพิ่งคิดทำร้ายว่าเขาเลวซะเลยอันดับแรกให้ตั้งใจว่าเขาดีไว้ก่อนแล้วก็พร้อมกันนั่นคนที่คิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าถ้าความปรารถนาของเขาไม่สมหวังจากเราเขาอาจจะเป็นศัตรูที่มีความสำคัญที่สุดสาหรับเราก็ได้ เมื่อคุ ย, ยนต่อไปเราก็เป็นน้ำว่าในเมื่อโมโหโสดคิดอย่างนั้นเราจะต้องทดลองพระราชาดูว่าพระองจะปรารถนาดนีต่อเราหรือไม่และเรื่องนี้จะต้องอาศัยนางเพรียบดีพาญิกาเป็นผู้ร่วมคิดจริงจะสําเร็จเมื่อคิดด้านั้นแล้วโมโหโสดจึงไปยันย่างสมณะข้านางปริพาญิกานาะงเพรียนะ นามเสกการณามคุณว่าข้าแต่คุณแม่เจ้าตั้งแต่วันที่คุณแม่เจ้ากลับทูลฟังเข้าไปดีนะเรื่องมันใกล้จะจบแล้วยกย่องเข้าไปเจ้าแก่พระราชาพระราชาได้ประทานอิสริยยศยศใหญ่นะให้แก่เข้าไปเจ้าใหญ่โต จนทําให้ข้าพเจ้านึกไปว่าการที่พระราชาพระราชทานยศแก่ข้าพเจ้าครั้งนี้อยจะทรงปรารถนาดีหรือว่าปรารถนาร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งข้าพเจ้าไม่เห็นใครนอกจากคุณแม่เจ้าจะช่วยเหลือเพื่อได้ทราบว่าพระราชาทรงโปรดปราข้าพเจ้าหรือว่าเป็นเพียงบบายอันใดอันหนึ่ง นามปริจาบานปริภาจิการาปว่าท่านบันดิตอาตมาจะช่วยเหลือก็ทราบเรื่องนี้ตัวบายอย่างหนึ่งนี่เรียกว่านักปราชญ์ตนปราชญ์มาพบกันลูกหลานที่รักในบางสมัยก็ถือว่าผู้หญิงมีความสามารถไม่เท่าผู้ชายแต่ว่าสําหรับสมัยมโหสถ ปรากฏว่าผู้หญิงที่มีความสามารถเท่าผู้ชายไมอยู่เช่นนางเพรีบริคายิกาก็จัดว่าเป็นปราชญที่มีความสําคัญจากนั้นการที่บุคคลบางสมัยคิดว่าผู้หญิงกับผู้ชายที่มีความสามารถไม่เสมอกันนั้นเป็นการเข้าใจผิดแม้แต่ในธรรมและพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องผู้หญิงว่าเป็นผู้มีความ จเจริญเที่วเท่าเทียมกับผู้ชายสามารถเป็นพระนรหันได้แต่ถ้าว่าจะถามหลวงปู่เวลานี้หลวงปู่บอกว่าท่านุด้านกําลังใจความเด็ดเดี่ยวของกําลังใจเวลานี้ผู้หญิงมีความเด็ดเดี่ยวกว่าผู้ชายแต่ท่านนี้ก็ต้องแบ่งผู้หญิงเป็นสองส่วนคือผู้หญิงหรือว่าผู้หญิง ถ้าผู้หญิงจริงๆมีความเด็ดเดี่ยวมากกว่าผู้ชายถ้าว่าพูดอยัง่งแล้วก็ล่อเอาไปทางไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้ยานี้ใช่ไม่ได้ต้องแบ่งเป็นสองประเภทอย่าถือว่าเขาเลวรู้ใจง่ายทุกคนนั้นไม่ได้ต้องดูหน้ากันก่อนคนล้มอย่าเพึ้นข้ามถ้าว่าอย่างนั้นโบราณไม้ล้มค้าได้แต่ก็ต้องวังนะดีไม่ดีมันก็มีหนาม คนต่อไปว่าวันหนึ่งนางบริภยัยกาได้โอกาสดูสองดูสองกับพระมหาลักษณ์ศัตร์จรึงนางจึงทูลขอวโรกาสกับพระราชาว่าขอถาวายพระพรอาตมาขอโอกาสทูลถามปัญหากับพระองค์หากไม่ทรงไขข้อเบรการใดแล้วและเมื่อได้รับพระราชาอนุญาตแล้วเปน็นอนว่าพระราชาอนุญาต พระชาชดุ ว, ว่าข้าพเจ้านิยาตเชิญแม่คุณเจ้าถามเถิดพระนางเพรีปริพาจิกาไม่ได้รับอนุญาตแล้วจะได้ทูลถามว่าสมมติว่าพระองค์ทรงลอยอยู่ในเรือทรงล อ, อยเรืออยู่ในกลางมหาสมุทรร่ำในพูดติดตามคือพระราชนนีพระเมรุสีพระอนุชา แล้วพระเสนาไทยรามเกียรติและมโหสดบันดิตหาผีเสื้อสมุทรยึดเรือไว้แล้วขอให้พระองค์ทรงส่งคนในเรือไปให้ผีเสื้อสมุทรกินจะขอทูลถามว่าพระองค์จะส่งใครให้ผีเสื้อสมุทรกินเป็นเป็นแรกเป็นไปตามลำดับเป็นลำดับลำดับไปเพียงแค่ะ ราชาได้ตัดไปตามความเห็นสมควรเกรบร็วว่าถ้าพระเจ้าจะต้องส่งสมานดาไปก่อนต่อไปก็ส่งมเหสสีแล้วต่อไปก็ส่งอนุชาไปตามลำดับจนถึงสหายและก็คามเกวัตและก็ตัวเองส่วนมาโคตรไม่ยอมให้เด็ดขาดนางเพรีบรไคายกาโทนตอบไปว่าข้าแต่ระมหาบอกผิด พรงรับสั่งว่าจะส่งพระราช ธ, ธนีไปก่อนธรรมดาว่ามารดาย่อมมีอุปการะคุณมากซึ่งญาตแก่ผู้อื่นหมายความซึ่งญาตที่หาผู้อื่นเปรียบจัดเปรียบได้พระมารดาเป็นผู้ให้กําเนิดโดยจะเพาะพระราช ธ, ธนนีของพระองค์องค์นี้ได้ทรงต่อเพื่อพระองค์ ให้พ้นจากการรอบลงพระชนของพราหมณ์ชิวัตถีถ้าไม่พระองค์ได้รอดมาแล้วก็ทรงพระชนอยู่ได้จุบันนี้ช่ไหนพระองค์จะทรงทรงพระรา ช, ชนานีเพื่อให้ผีเสื้อสมบัติจิงก่อนเล่าดีค่ะพระเจ้าจุนนีได้สลับคำข้อนามปริภัยกาได้ตัดว่าข้าแต่แม่คุณจเจ้าคุณของพระราชชนนีนี่มีจริง แล้วข้าพเจ้าเองนะฟังให้ดีนะฟังเหตุฟังผลลูกหลานที่รักข้าพเจ้าเองก็รู้อยู่ว่าพระราดจนนีนีอุปการะคนข้าพเจ้ามากแต่ถ้ว่าพระราชจนนีของข้าพเจ้าก็ทรงทําอะไรอะไรที่ไม่ดีไว้มากเหมือนกันพระราชจนนีของข้าพเจ้าทรงพระชรามากแล้ว แต่ก็ทำตัววันหญิงสาวทอบแต่กบทิกะซี้ผลเสีีหากับพวกรักษาประตูและก็พวกฝึกม้าจนเกินเวลาสมควรนี่ลูกหลานที่รักโยนัตวังและจดียาเป็นสำคัญให้รู้รู้ฐานะของตัวว่าเวลาไหนแล้วคนจะสนุกสนานได้เวลาไหนคนจะอยู่ในอาการสงบ ควรวางตัวยห้อยู่ในยุคสมควรสถานะของตนเองที่พระพุทธเจ้าสันติ ว, ว่าการันอยู่เป็นผู้รู้จักการเวลาการเวลาที่จะทำการเวลาที่จะเข้าเข้าพบคนอื่นการเวลาที่จะพักผ่อนการเวลาที่จะทำถ้าทําไม่ใช่เวลามันก็เลว การเข้าพบคนอื่นถ้าเขาไม่ยางไม่ว่างเราต้องการไป่กำลังใจของเราเราก็เป็นที่ไม่ชอบใจของเขาเราก็เป็นคนเลวเวลาจะพักผ่อนเมันกันเวลาการงานชั้นใช้เป็นเวลาพักผ่อนมันคนเลวเสียผลเรื่องของคนนี่การรู้การรู้รเวลารู้จากบริษัทรู้จกักประชมชนเป็นเรื่องสาคัญ ขอลูกหลานที่รักจรงระมัดระวังการที่จะทำอะไรทุกอย่างต้องใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนอย่าคิดทำลายคนแต่เพียงคนเดียวแต่ว่ากิจที่ทำนั้นทำลายความเจริญการก้าวหน้าความสุขของคนทั้งประเทศอย่างประเภทเดินขบวนอย่างประเภทสตดายอันนี้ใช้ไม่ได้ขอลูกหลานที่รักจงยาทา วิธีอื่นที่ดีกว่านี้ทม้ไปแค่วิธีการเรียบเรียบนิ้วไหนเน่าตัดไปเฉพาะนิ้วนั้นแล้วก็ตัดแบบเงียบเงียบไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดวิ น, นัยไม่ผิดประเพณีไม่ผิดศีลธรรมซึ่งเราทำได้ถ้าจะถามหลวงปู่หลวงปู่จะบอกให้แต่ว่าสิ่งนั้นต้องไม่เป็นไปเพื่อทาลายกระบวนการการ่รแกลง้งหรือไม่เสียชีวิต เพราะหลวง ป, ปู่สั่งฆ่าคนไม่ได้ถ้าสั่งฆ่าคนได้เวลานี้รู้สึกว่าจะตายไปหลายพันคนแล้วคุยกันต่อไปยิ่งกว่านั้นพระราชพระราชมารดาของข้าพเจ้ายังได้แต่งราชอาจัลอมเป็นเป็นราชเป็นอะไรเป็ น, ป น, ป น, ป น, ปนราชสายของข้าพเจ้าใหม่แม่นี่ยไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ตกแต่งปลอมให้เหมือนถ้าใส่ขงพระราชาเอาพระราชสารเนี่ยอย่างขอโทษถ้าเกิดว่ายิ่งกว่านั้นพระมัญดาของข้าพเจ้าจะได้ทรงแต่งราชสารรอมให้เป็นราชสารเข้าพเจ้าทรงไปถึงพระเจ้าประเทศราชว่าราชันนีของเรากําลังอยู่ในวัยที่หน้าใครข์ขอให้เจ้าให้ให้เจ้าประเทศราชวทั้งหลายเหล่านั้น จงนำพระจิตตนีของเราไปบำเรอเถิดเ้าะเจ้าแสนที่จะอับอายขายหนะ้าเมื่อเมีเป็นขึ้นอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าไปสุขที่ไหนนี่ดีแต่ว่าประเทศสราเทนไลหลา่านั้นเขายัางนับถือห้าวพระเจ้าอยู่แ ต, จจแต่เขาก็หมดความนับถือในพระจิตตนีของข้าพเจ้าได้เหตุนี้แหละ พระเจ้าจึงจ้ให้พระราชินีแก้่เบเซ่สมบุกกรคนเด่นเนี่ยตันหาหน้าเมือเ่อจะโลกหลานที่รักมันไม่เลือกการมันไม่เลิกสมัยแก่เยตายยังอยากจะช่วคนนี่ก็ต้องคิดนี่เราก็ต้องคิดกันนะเป็นอันว่าเรื่องประเพณีเอ้ประเพณีนี่มันเรื่องหนักก็เหมือนกับนก นางนกสลิกาที่ถูกขังในตรงที่ไร้การสัมผัสกับเพื่อนต่างเพศคนท่านนั่งอยู่ในห้องมันก็คิดได้หลายๆอย่างความหิวเกิดขึ้นอะไรก็ได้ที่ต้องการเหมือนกับพระราชินีเขาพระราชาซึ่งเป็นไม้ประความความปรารถนาในความใคร่มันก็มีมากก็เลยอยากจะร่วมรักร่วมประเพณีกับชายอื่น ถึงกับแกล้งแต่งเนืงสีขึ้นจุดหมายส่งไว้พระราชาประชาเทศตลานี่ขายหน้ามากเพราะการประพฤติอย่างนี้พระราชาจริงคิดว่าท่านนางพียเสื้อสมงบจะมาจับให้ส่งคนให้กินก็ส่งแม่ไปให้ก่อนก็เป็นการสมควรฟังเหตุฟังผลลูกหลานที่รักต่อไปนางเพ ร, รีปฎิภายิกาจกึงกราบทูลว่าขอถาวถายสักหน พระองค์จะทรงส่งพระราช น, านันนีขางพระองค์ไปเองโดยเหตุผลดังที่ตัดมาแล้วนั้นสมคนแล้วแต่ามาอย่างสงสัยคนต่อไปคือ พ, พระมเหสีของพระองค์พนาว่านันทาเทวีทรงมีพระลักษณะงามมันย่าก็สวย มีพระเทดเสียงไพเระะาะชนันพระองค์จะทรงส่ ง, ง, งมาเฮสีไปให้มีเสื้อสมุดกินเป็นคนที่สองพระเจ้าจุนนีได้ตัดว่านางนันทาดีจริงดังที่พระแม่เจ้ากล่าวแต่ถ้ว่านางนันทาก็ยังมีส่วนเสียชอบขอเครื่องประดับซึ่งพรพระเจ้าได้ให้แก่บทธิดา ถ้าชายอื่นเป็นแล้วถ้าหาไม่ได้ก็ไปข่มขู่ยื้อแย้งเอาจนได้ด้วยเหตุนี้พระเจ้า จ, าจึงทรงมละเสีให้วิเ้อสมุทกินเสียเป็นคนที่สองนี้เรียวความละโมบโลกมากเห็นแก่นหน้าเห็นกับตัวเป็นสำคัญของทั้งหลายเรานั้นเป็นสิทธิของคนอื่นที่พระราชาพระยทานไปตัวเองก็มีมากมายไม่รู้จะพอ นี่คนที่ไม่รู้จักพออย่างนี้ก็น่าให้เสีเสื้อสมุดกินก็นเหมือนกับขร้นการที่มีคําว่าไม่พอลูกหลานที่รักเงินดาวเงินเดือนที่เขาได้ไปมันเป็นภาษีก่อนที่เราหาเงินมันได้โดยยากบางทีผู้เสียภาษีก่อนไม่ค่อยมีจะกินหาเช้ากินขําหาวันนี้กินตรงนี้ การจะกินเข้าไปแต่ละอย่างก็เต็มทีพวกเขากินยังมีความสุขแต่กลายเป็นคนพุทธิฤิ์คิดไม่ชอบคมเห็นละสันดรซึ่งเป็นเจ้าของเงินที่พขากินคนประเภทนี้ก็น่าจะจับให้ผีเสื้อปากกระบอกกินซะเหมืนกันผีเสื้อส ม, มุดปากกระบอกเวลานี้หาง่ายอย่าลืมนะว่าคนไหนเลวทําร้ายคือว่าจัด ก, การาเฉพาะคนนั้น คำว่าพีเสื้อปากกระ บ, บอกที่มันหมายถึงปืนคำว่าปากและกระกระบอกคือใช้ปากกระการเวลาไว้แล้วก็บอกให้คันทราบว่าข้าราการตอนนั้นเลวเขาเป็นคนรับใช้สําหรับเราแปลว่าเรากลับต้องมาถูกเขาเป็นนายเงินทองที่ก็มีใช้น่าเป็นเงินทองของพวกเรา เครื่องแต่งกายผ้าทุกชิ้นอาหารทุกคําเป็นของที่เราหาให้เขาเพื่อให้เขามาสร้างระเบียบให้แก่พวกเราให้อยู่ในขอบเขตแต่ว่าเขาผูกนั้นไม่รักษาระเบียบไม่รักษาวินัยไม่เค า, ารพในกฎหมายทษจริตตต่อการงานฉะนั้นพวกเราควรจัดการกับเขาด้วยสันติวิธี สั้นทีวิธีก็มีแบบง่ายๆลูกหลานที่รักไม่ต้องเดินขบวนไม่ต้องสไตรใช้วิธีอย่างนี้ร้องเรียนผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่เพราะว่าข้ารการเลวๆอย่างนี้เราไม่ต้องการแล้วในเมื่อเนาเลวที่นี่ก็ไม่ควรจะย้ายไปที่อื่นไปที่อื่นก็เป็นเลวรบกวนเขาอีกทางที่ดีก็ให้เขาออกจากตำแหน่งหน้าที่ไป ถ้าเงินเดือนเขามไม่พอกินก็ให้เขาไปหากินกันเองถ้าผู้ใหญ่ไม่ทําเราอยู่ในจังหวัดไหนในจังหวัดนั้นเราพร้อมใจกันหยุดเสียภาษีก่อนเสียโชคราวเพราะว่าภาษีก่อนของเรานี่ต้องตกไปอยู่กับคนเหลวไปเรียค น, คนเหลวมากุมเองเราเราไม่ให้ แต่หาก ว, ว่าท่าทางราชการเอาเขาออกไปได้เราพร้อมที่จะเสียภาษีก่อนให้แม้แต่ภาษีก่อนที่ยับยั้งเขาไว้เราไม่ให้แล้วก็พร้อมส่งให้ครอบคุัช่วยกันทําเพียงเท่านี้ไม่ช้าเราก็มีค่าจาดการดีถ้าบังเอิญทั้งประเทศเขาไม่ดีเราก็ไม่เสียภาษีก่อนทั้งหมดอย่างนี้ไม่จะยุให้กับหมดมให้กระบด เอือผู้ใหญ่ให้มีความโรสสึกสำนึกตัวว่าการช่วยเหลือลูกน้องคนตัวเนี่ยลูกน้องคนตัวทำผิดคิดไม่ชอบใครมารลอามาเรียนก็เอาเรื่องราวใส่ดินทักแทกโตเสิบ้างดีไม่ดีเขาเข้าไปพูดไปถามก็หาเรื่องห้เราวชีบโบชีเบก็สแสดงว่าท่านผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองเหม็ดเลวด้วยลูกน้องยิงเลว ถ้าเขาเลวพร้อมกันอย่างนี้เราทั้งประเทศก็พร้อมกันไม่เสียภาษีก่อนไม่ให้เขากินเงินดาว่ให้เขากินเงินเดือนเงินของเราเราใช้ข้าวของเราเรากินเพียงเท่านี้งานทุกสิ่งทุกอย่า ง, ขง เ, เขาว่าเท่เกลียบร้อยไม่ต้องไปดา่าไปว่าคนนี้หน้าด้านใจด้านพอดา่าว่านางเสพพิมค้นดา่าเขาว่าคนค้นดา่าเขาว่าเขาก็ทน เขาถือว่าเราด่าเนยเปล่าแต่ว่าเราเสียเงินให้เขาเรื่องภาษีก่อนที่เก็บเข้ามาก็เหมือนกันถ้าพวกมีหน้าที่เก็บภาษีก่อนให้เขาทวนมีไม่มีการงกงีกกันแล้วก็เรื่องภาษีนี่ไม่ต้องขึ้นที่ขึ้นภาษีอย่างนอนขึ้นภาษีขึ้นก็นจะมาทั่งฟูวหากินเกือบจะไม่มีกิน ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าผู้เก็บภาษีไม่ได้เก็บภาษีส่งเขารัฐเป็นการเก็บภาษีเข้ากระเป๋ากันมากกว่าที่เราจะรู้สึกกันได้ว่าในสมัยที่ท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรั์ขึ้นยึดอํานาจใหม่ๆปีนั้นปีเดียวรายกฏว่าภาษีก่อนที่ท่านได้โดยไม่ต้องขึ้นภาษีเงินเข้าครั้งมากมาย เพียงแต่ท่านเรียกาศว่าขอให้เจ้าหน้าที่เก็บภาษีให้ครบถ้วนก็มีอยู่สองจังหวัดจังหวัดอะไรจังหวัดก็ไม่ทราบแล้วก็มีจังหวัดเช้นหน้าที่หนึ่งจังหวัดส่งภาษีเข้าไปเท่าเดิมเป็นอนรสันภากรต้องถูกประอยู่จังหวัดลำพูนในเมื่อท่านเรียกาศทางวิทยุว่าเป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่ง ที่สองจังหวัดที่ทราบประจังหวัดไหนอีกจังหวัดหนึ่งภาษีที่ส่งเข้ามาไม่มีการเพิ่มเติม เ, มเท่าเดิมเป็นนั้นว่าปรากฏวันดาพอ่อคาทั้งหลายได้วิ่งเข้าไปหาท่านสันวก่อนเมื่อว่าท่านสันวก่อนมีอะไรพอพูดกันได้นะครับต่างคนต่างก็เอาเงินมาให้ท่านมาเสีกรอนส่งเข้าเป็นตึกเป็นภาษี นี่รายละเอียว่ า, าการเก็บภาษีก่อนเนี้เก็บกันไม่จริงไหมจังไม่ครบถ้วนตามคำสั่งแล้วว่าไม่ครบถ้วนตามหน้าที่คงจะมีกินนอกกินในสิ่งอะไรกันแต่ถ้งฝ่ายรัฐบาลเห็นว่าเงินไม่พอก็ขึ้นภาษีกันไปขึ้นกันไปเท่าไรมันก็ไม่ได้มีประโยชน์มันมีโทษคือคนผู้ทาการค้าทํามาหากินจะไม่มีกินไม่มีใช้ นี่มันเป็นผลเสียหายทันบรร ล, ลกรักที่หลายทั้งหลายสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดเวลาพอดีก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพทีพัะนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านเจ้าหน้าที่สถานีวิทยสถานีนี้ทุกคนและจงมีแดบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชน้นโลกลานิรัก ขอทุกท่านจะประสบแต่ความสุขสวัสดิพัพชนะมงคลสมบูรณ์พูนผลและจงเจริญไปด้วยเจตุพิธพรชายทั้งสี่ประการมีอายุวันน้าสุขาพละและปฏิภาณหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้ ส, สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี